พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่21สเอ็ดจตุการนิบาตจตุตถะปันนาฏหมวดห้าสิบที่สี่วัที่สี่ชื่อโยธาจีววัตว่าด้วยนักรบทรงสแสดงนักรบประกอบด้วยองคสีว่าควรแก่พระราชาคือหนึ่งฉลาดในภูมิประเทศเทียบด้วยภิกษุผู้มีศีล 2. องยิงไกลเทียบด้วยภิกษุผู้เห็นด้วยปัญญาตามเป็นจริงไม่ยึดถือขันห้า 3. ามยิงไวเทียบด้วยภิกษุผู้รู้อริยสัจสี่ตามเป็นจริง 4. ทําลายกายใหญ่เทียบด้วยภิกษุผู้ทําลายกองแห่งอวิชชาใหญ่ได้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 มีความสงสัยในพระสัจธรรมฝ่ายที่ไม่กลัวไม่สะดุ้งคือที่ตรงกันข้ามตรัสแสดงสัจจคของพราหม4์สี่ประการแก่นักบวชลทัทธิอื่นข้อนี้เป็นการแสดงความหมายของพราหม์ตามหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่ตามหลักของพราหม์จริงๆ ข้อที่ตรัสแสดงสัจจะของพราหมณ์สี่ประการแก่นักบวชลัทธิ์ที่อื่นคือ 1. สัตว์ทั้งปวงไม่ควรฆ่า 2. การไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 3. พบทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา 4. พราหมณ์ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ตรัสตอบปัญหาของภิกษุรูปหนึ่งดังต่อไปนี้หนึ่งโลกอันจิตย่อมนำไปย่อมคราไปสู่อำนาจของจิตที่เกิดขึ้นแล้วสองพระองค์แสดงธรรมไว้มากมีถึง9ก้าลักษณะที่เรียกว่านวังคาสัตถุศาสนามีพระสูตรเป็นต้นภิกษุรู้เนื้อความรู้ธรรมะแห่งคาถาแม้เพียงสี่บทแต่ปฏิบัติธรรม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 ไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายคิดแตประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์แก่โลกทั้งปวงตรัสตอบคําถามของวัสกาลรัพรามว่าไม่เป็นไปได้ที่คนชั่วจะรู้จักคนชั่วว่าเป็นคนชั่วจะรู้จักคนดีว่าเป็นคนดี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 มีภิกษุที่บรรลุความเป็นพรมคือผู้เจริญพรหมวิหารสีมีภิกษุที่บรรลุความเป็นผู้ไม่หวั่นไหวหรืออเนนชับปัตตักได้แก่ภิกษุผู้เจริญอรูปปชาญสีสำหรับตรงนี้เป็นอันยืนยันว่าอาเนนชักนั้นได้แก่อรูปปชาญสีแต่ในที่อื่นตรัสแสดงถึงรูปปชาญสีด้วย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 เจ้ลิฉวีชื่อพัทยาก็เริ่มใส่ในพระธรรมเทศนาประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัเป็นสาระตลอดชีวิตพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าเราได้กล่าวหรือเปล่า ว, ว่าจงมาเป็นสาวกของเราเราจะเป็นศาสดาของท่านพัทยาลิชวีกราบทูลว่าไม่ได้ตรัส ด, ดังนั้นแล้วกราบทูลสรรเสริญว่ามาอย่ากลับใจนี้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 และแห่งวิมุตต์หรือความหลุดพ้นโดยชีย้ไปที่การสำรวมในพระปาติโมกการเข้าฌานสี่การรู้อริยสัจสีตามเป็นจริงการทำจิตใ จ, ใจคลายกาหนัดในธรรมะเป็นที่ตั้งแห่งความกาหนัดการเปลืองจิตในธรรมะที่ควรเปลืองโดยลาดับครบสี่ข้อพระมหาโมคลานะถามวัปปะสากยักษ ผู้เป็นสาวกของนิครนถึงเรื่องฐานะที่เป็นเหตุให้อาสวะอันเป็นปัจจัยแห่งทุกขเวทนาท่วมทับบุคคลในโลกหน้าหรือสัมปรายพภพพระผู้มีพระภาคเสด็จมาตรัสถามและตรัสโต้ตอบกับวัปปะสกะักยะโดยทรงตั้งปัญหาให้ตอบและเห็นจริงได้ด้วยตนเองว่าอสาาวะที่เกิดขึ้น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 ที่เปลี่ยนศาสนาจากนิครมาเป็นพุทธศาสนิกคือหนึ่งวัปปะสักยะผู้เป็นอาพระพุทธเจ้า 2. สีหะเสนาบดีแห่งกรุงเวสาลีแควนวัชีและสอุบาลีขรหาบดีแห่งเมืองนาลันธาตรัสแสดงธรรมแก่เจ้าลิชวีชื่อสาระหะ และอภัยยะเรื่องสมณะพรามผู้มีความประพฤติทางกายวาจาใจและการเลี้ยงชีพไม่บริสุทธิ์ว่าเป็นผู้ไม่ควรเพื่อตรัสรู้ต่อบริสุทธิ์จึงควรตรัสรู้ตรัสตอบพระนางมาลิกาผู้กราบทูลถามปัญหาสี่ข้อโดยส่งชี้แจงว่าหนึ่งมาตุคามผู้มักโกรธไม่ให้ทานมีใจริษยา จะเป็นผู้มีรูปสามและยากจนมีศักน้อย 2. มาตุคามผู้มักโกรธแต่ให้ทานไม่มีใจริษยาจะเป็นผู้มีรูปสามแต่มั่งคัง่งมีทรัพมากมีศักใหญ่ 3. ม, มาตุคามผู้ไม่มักโกรธแต่ไม่ให้ทานมีใจริษยาจะเป็นผู้มีรูปงามแต่ยากจนมีศักน้อย สี่มาตุคามผู้ไม่มักโกรธทั้งให้ทานและมีใจไม่ริษยาจะเป็นผู้ทั้งมีรูปงามทั้งมั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีศัก์ใหญ่พระนางมลิกากราบทูลว่าเชารอยพระนางจะเป็นคนขี้โกรธในชาติอื่นจึงทรงมีรูปสามเชารอยจะเคยถวายทานจึงมั่งคัง่ง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 3. ความรักเกิดจากความคิดประทุษร้ายเห็นคนอื่นเขาพูดด้วยถ้อยคำที่ไม่ดีงามต่อคนที่ตนกเกลียดก็เลยรักคนอื่นนั้นด้วย 4. ความคิดประทุษร้ายเกิดจากความคิดประทุษร้ายเห็นคนอื่นเขาพูดด้วยถ้อยคำอันดีงามต่อคนที่ต น, rator, นเกลียดก็เลยเกลียดคนอื่นนั้นด้วย แล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุผู้เข้าฌานทั้งสี่ย่อมไม่เกิดความรักความคิดประทุสร้ายทั้งสี่ประเภทนั้นยิ่งสิ้นอาสวะความรักความคิดประทุสร้ายก็เป็นอันละได้อย่างถอนรากและภิกษุนั้นก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่ถือตนหรือถือกายของตนตามแนวสักยะทิฏฐิยี่สิบอย่างไม่ฟุ้งตอบ คือไม่ด่าตอบคนที่ด่าเป็นต้นไม่เป็นควันเพราะมีความท่องเที่ยวแห่งตันหาปรารบขันห้าภายในไม่ลุกเป็นเปลเวเพราะมีความท่องเที่ยวแห่งตันหาปรารบขันห้าภายนอกไม่ถูกเผาคือละอัสมิมานะความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ได้ หมวดนอกจากห้าสิบหมวดนี้เรียกว่าปนาสกสังคาหิตวัคคือวัคที่ไม่จัดเข้าในหมวดห้าสิบจัดเป็นหมวดพิเศษแบ่งเป็นหมวดย่อยหรือวัคเจ็ดวัควัคละประมาณสิบสูตรเช่นกันวัคที่หนึ่งชื่ออสศะปุริสวัคว่าด้วยคนชั่ว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 ทรงแสดงคนที่ประทุสร้ายบริษัทเพราะทุศีลมีบาป ร, รมคนที่ทำบริษัทให้งามเพราะมีศีลมีกัลยาณธรรมและทรงแสดงความชั่วความดีอื่นๆที่ทำให้ตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนำไปวางไว้วัคที่สาชื่อทุจริตวรกว่าด้วยความประพฤติชั่ว ทรงแสดงวจีทุจริตสี่คือพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อและทรงแสดงคนพาลและบัณฑิตผู้ประกอบด้วยความชั่วความดีต่างๆในที่สุดทรงแสดงกวีสี่ประเภทคือจินตากวีกวีทางความคิดสุตตะกะวีกวีทางสดับฟังอัฏฐกะวีกวีทางเนื้อความ และปฏิภาณกวิกวีทางปัญญาหรือญาณวัคที่สี่ชื่อกรัมรมวัคว่าด้วยกรรมคือการกระทำทรงแสดงกรรมสี่อย่างคือกรรมดามีวิบากหรือผลดำกรรมขาวมีวิบากขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว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 เพราะอาศัยคนดีจึงหวังอานิสง์หรือผลได้สี่ประการคือเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาและวิมุตหรือความหลุดพ้นวักที่หชื่ออาปติพยาวักว่าด้วยภัยคือสิ่งที่น่ากลัวแห่งอาบัติตรัสกับพระอานนุนว่าภิกษุชั่วเห็นประโยชน์สี่ประการ จึงพอใจด้วยการทำสงให้แตกกันคือถ้าภิกษุร้อมเพลียงกันก็จะกำจัดเราผู้ทุศีลผู้มีความเห็นผิดผู้เลี้ยงชีวิตผิดผู้อยากได้ลาบแต่แตกกันก็จะกำจัดเราไม่ได้แล้วทรงแสดงภัยแห่งอาบัตและอานิสง์แห่งการศึกษาทรงแสดงการนอนสี่อย่างคือหนึ่ง การ น, นอนของเปรตในวงเล็บนอนงายสองการ น, นอนของผู้บริโภคการรมในวงเล็บตะแคงซ้ายสามการนอนของราชสีในวงเล็บตะแคงขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้าเอาหางสอดไว้ในระหว่างเท้าสการ น, นอนของพระตถาคตในวงเล็บเข้าชานที่สี่หมายเหตุผู้อ่าน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 ชื่ออภิญยาวักว่าด้วยความรู้แจ้งทรงสแสดงธรรมสี่อย่างคือที่ควรกําหนดรู้ด้วยความรู้ยิ่งได้แก่ขันห้าที่บุคคลยึดถือที่ควรละด้วยความรู้ยิ่งได้แก่อวิชชาความไม่รู้กับภวะตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ที่ควรเจริญได้แก่สมถะหรือความสงบใจ ละวิปัสนาความเห็นแจ้งที่ควรทำให้แจ้งได้แก่วิชาความรู้และวิมุตความหลุดพ้นทรงแสดงการสแสวงหาอันไม่ประเสริฐและประเสริฐฝ่ายละสีอย่างคือการสแสวงหาสิ่งที่มีความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าหมองเป็นธรรมดาฝ่ายดีคือตรงกันข้าม ทรงแสดงเรื่องของการสงเคราะห์หรือสังฆะ ว, วัตถุสี่คือการให้การพูดไพเราะการบำเพ็ญประโยชน์การวางตนสม่ำเสมอทรงแสดงความเกิดขึ้นแห่งตันหาสี่อย่างคือเกิดขึ้นเพราะปัจจัยสีแก่พระมาลุงกายมุตทรงแสดงว่าตระกูลอันถึงความเป็นใหญ่ในโคกรัพ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 เป็นแต่เพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งคือสมบูรณ์ด้วยกําลังเทียบด้วยบรารบความเพียรส่งแสดงกําลังสีได้แก่กําลังคือความเพียรสติความระลึกได้สมาธิปัญญาส่งแสดงว่าภิกษุประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างไม่ควรอยู่ป่าคือประกอบด้วยความตรึกในกาม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 ชื่อกรมมปัปฐวะว่าด้วยกรรมบทรหรือทางแห่งกรรมดีกรรมชั่วทรงแสดงว่าผู้ประกอบด้วยธรรมะสี่อย่างจะตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เหมือนถูกนาไปวางไว้คือหนึ่งประพฤติชั่วด้วยตนเองประกอบด้วยกายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทุจริตสามรวมเป็นอกุศลกรรมบทสิบ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 หรือการตั้งสติสี่อย่างสมะประทานสี่ความเพียรชอบสี่อิทธิบาสีหรือธรรมะอันให้ถึงความสำเร็จสี่อย่างเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอุปกิเลส16อย่างมีราคะเป็นต้นจบเล่มที่21อดอังกุตระนิกาย จทุกกานิบาัต